สุภูติเทระคาถาเลยนะเอกนิบาตเรื่องแรกเลยท่านพระสุภูติได้พาเศษคาถานี้ไวอย่างนี้ว่าดูก่อนฝนกุฏีของเรางงดีแล้วมีเครื่องป้องกันอันสบายมิชิดดีท่านจงตกลงมาเถิดนะท่านจงตกลงมาตามสะดวกเถิดจิตของเราตั้งมั่นดีแล้วหลุดพ้นแล้วเราเป็นผู้มีความเพียรอยู่ เชิญตกลงมาเถิดฝนก็คาถาเนี่ยนะว่ากูตีเรามงดีแล้วมีเครื่องป้องกันอันสบายมิชิดดีท่านจงตกลงมาตามสบายเถิดเนี่ยฝนเนี่ยอันนี้ประกาศถึงอธิศีรสิขาของท่านจิตของเราตั้งมั่นดีแล้วอันนี้ก็เป็นอธิจิตตศิขาจิตตั้งมั่นนะฮะทจิตตศิขาหลุดพ้นแล้วก็เป็นชื่อของอธิปัญญาศิขานั่นเอง นก็ประกาศถึงความเป็นผู้มีผู้บริบูรณ์ด้วยไตรสิขาบัดนี้ข้าพเจ้าจะเริ่มพันานาความแห่งเทระคาถาทั้งหลายอันเป็นไปแล้วโดยในเป็นต้นว่าฉันนามกุติกาดังนี้ก็เพราะเหตุที่เมื่อข้าพเจ้ากล่าวประกาศความเป็นไปแห่งเรื่องราวของคาถ า, านั้นการพันานาความนี้จึงจะปรากฏและรู้ได้ง่าย น, นะก็ที่ว่าจะต้อง พนานาเ ห, เหตุเกิดเรื่องขึ้นก่อนว่างั้นฉะนั้นข้าพเจ้าจักประกาศเหตุเกิดแห่งเรื่องไว้ในคาถาอ น, นั้นแล้วทำการพนานาความก็เรื่องราวความเป็นไปเป็นมาของพระสุภูตีนี้เป็นอย่างไรดังได้สดับมาเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปทุมุตระผู้เป็นนาถาของโลกยังไม่เสด็จอุบัติขึ้นในที่สุดแห่งแสนกับแต่พัทกับนี้ บุตรคนหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นแล้วแก่พราหมณ์ผู้มหาศาลคนหนึ่งในพระนครหังสาวดีพราหมณ์ได้ตั้งชื่อบุตรนั้นว่านันทมานพนันทมานพเจริญวัยแล้วก็เรียนตรายเพศเมื่อไม่เห็นสิ่งที่เป็นสาระในตรายเพศนั้นจึงบวชเป็นฤาษีอยู่ที่เชิงเขาแสดงว่าอัธยาศัยไม่ธรรมดานะเป็นบุตรของมหาเศรษฐีเรียนจบตรายเพศเนี่ยแล้วไม่เห็นสาระของวิชาแม้แต่นิดเดียวเลยออกบวชอ่ะ มีปัญญามากเนี่ยนทีนี้พอออกบวชก็มีมานพมาบวช ด, ด้วยสี่หมื่นสี่พันผู้เป็นบริวารของตนยังสมาบัติปดและอภิญญาห้าให้เกิดแล้วโอ้มีปัญญามากนะจึงเห็นความไม่มีสาระของแม้กระทั่งวิชาความรู้วัตถุกรรมเนะี่ยแล้วออกบวชเนะี่ยแล้วก็ยังสอนกรรมฐานให้อันเตวาสิกเหล่านั้นด้วยอันเตวาสิกเหล่านั้นต่างก็ได้ฌานโดยการไม่นานเลยเนี่ยนะ ก็โดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปทุมุตระเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกอาศัยหังสาวดีนครเนี่ยประทับอยู่วันหนึ่งทรงตรวจดูหมู่สัตว์ในเวลาใกล้รุ่งทรงเห็นอุปนิสัยแห่งผ้าหันของเหล่าชดินผู้เป็นอันเทวาสิทธิ์ของนันทดาบทและเห็นความปรารถนาตําแหน่งสาวกอันประกอบไปด้วยองค์สองของนันทดาบทนะพระ อ, องค์ก็เล็งดูแล้วว่าอาจารย์เนี่ยยังไม่ได้บรรลุหรอก แต่ว่าสิทธ์เนี่ยจะบรรลุทั้งหมดเนี่ยนะอาจารย์เนี่ยมีอัธยาศัยที่อยากจะเป็นอิทักคะไงลูกศิษย์อยากขอให้บรรลุเหอะเนี่ยนะเอาบรรลุเป็นอย่างเดียวใช้ได้แต่อาจารย์ไม่ได้ต้องตำแหน่งด้วยมั้งั่นเพราะฉะนั้นก็เลยทำสิรีระปฏิบัติพระศรีระตั้งแต่เช้าทีเดียวทรงถือบาตรและจีวรไม่ชักชวนภิกษุอื่นรายเป็นดุจสีหะเสดไปเพียงผู้เดียวเมื่ออันเทวาสิษย์ของนันทดาบทไปหาธลาผล เมื่อนัน้นท่นดาบดมองเห็นอยู่นั่นแลก็เสด็จลงจากอากาศประทับอยู่ที่พื้นดินโดยทรงพระดำริว่าขอนันท่าดาบดจงรู้ความเป็นพระพุทธเจ้าของเรานะอธิษฐานให้เขารู้ว่าเราเป็นพระพุทธเจ้านันทดาบดเห็นพุทธานุภาพและความบริบูรณ์แห่งพระลักษณะตรวจดูมนสําหรับทายลักษณะก็รู้ว่า ขึ้นชื่อว่าผู้ประกอบด้วยลักษณะเหล่านี้เมื่ออยู่ครอบครองเรือนจะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเมื่อบวชจะได้เป็นพระสัพพันญูพุทธเจ้าผู้ตัดวัตตะในโลกได้ขาดนะรู้เลยนะดูจากลักษณะนี้รู้เลยบุรุษอาชาในผู้นี้จักเป็นพระพุทธเจ้ า, าโดยไม่ต้องสงสยัยแล้วก็กระทาการต้อนรับไหว้ด้วยเบญจางคับประดิษฐ์แล้วปูอาสนะถวาย ขนาดเมียพิญญาหสมาบัติ8นะไม่มีมาณหรือว่าเป็นผู้เจ้านี่เคารพนอบน้อมจัดที่ตั้งที่อย่างเรียบร้อยหมดเลยเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับนั่งบนอาสนะที่ดาบทปูลาดไว้แล้วฝ่ายนันทดาบทเลือกอาสนะที่สมควรแก่ตนแล้วก็นั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งสมัยนั้นชดิน 44,000 พันคนถือเอาพลาผลมีรถโอชะอันล้วนแต่ประณีดมาถึงสำนักของอาจารย์ มองดูอาสนะที่พระพุทธเจ้าและอาจารย์นั่งแล้วก็พูดว่าข้าแต่ท่านอาจารย์พวกข้าพเจ้าทั้งหลายวิจารณ์กันว่าในโลกนี้ไม่มีใครใหญ่กว่าท่านชราลัยบุรุษผู้นี้จักใหญ่กว่าท่าน น, นะนะคือปกตินี้ก็นึกว่าโอ้โหอาจารย์เราเนี่ยใหญ่ที่สุดอยู่แล้วใช่ไหมพอเห็นพระพุทธเจ้ามาอาจารย์ของเราเนี่ยจัดที่นั่งให้พระพุทธเจ้าอย่างยิ่งใหญ่ตัวเองมานั่งข้างล่างที่ต่ำเนี่ยนะโอ้โหก็วิจารณ์กัน นันทราบทก็กล่าวว่าพวกคุณพวกท่านพูดอะไรอย่างนั้นพวกท่านประสงค์จะเปรียบเขาสินเนรุราชซึ่งสูงหกแสนแปดหมื่นยอดกับเมล็ดพันธุธกาศพวกท่านอย่าเอาเราเข้าไปเปรียบกับพระสัพพัญญูพุทธเจ้าเลยเนี่ยนจริงๆก็อย่างที่ท่านว่าจริงๆเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเปรียบเทียบอุปมาเหมือนเขาสินเนรุราชสูงหกแสนแปดหมืนยเนี่ยนะกับเมล็ดพันธุธกาศเพราะว่า นันทดาบทนี้เป็นเป็นอะไรเป็นปุตุชนใช่ไหยเป็นปุตุชนที่ยังอยู่ในวัตตะถ้าเทียบกับพระพุทธเจ้าผู้พ้นวัตตะเนี่ยนะก็ห่างกันเปรียบเทียบกันไม่ติดอยู่แล้วเนี่ยนะจะว่าแล้นันทดาบทเนี่ยมีเป็นล้านคนก็ไม่ได้เสด็จเสี่ยวของพระพุทธเจ้าเลย น, น, นะนะลำดับนั้นดาบทเหล่านั้นก็คิดว่าถ้าท่านผู้นี้จะเป็นคนต่ำต้อยอาจารย์ของพวกเราคงไม่หาซึ่งข้อเปรียบเทียบอย่างนี้ บุรุษอาชาในผู้นี้ใหญ่ขนาดไหนเนอะดังนี้ก็พากันมอบลงแทบเท้าแล้วนมั ส, สการด้วยเสียงกล้าวนะลำดับนั้นท่านอาจารย์ก็กล่าวกระดาบทเหล่านั้นว่าพ่อทั้งหลายทยธรรมอันสมควรแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายของเราไม่มีและพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสด็จมาในเวลาพิกษาจารเพราะฉะนั้นเราจะถวายทยธรรมตามกาลังความสามารถ พวกท่านจงนำผลาผลอันประณีตบรรดาที่ท่านทั้งหลายนำมาแล้วเถิดดังนี้ก็ให้นำพลาผลคําว่าผลาผลเนี่ยมาจากพละบวกอภพละแปลว่าผลน้อยผลใหญ่เนี่ยนะผละก็คือผลน้อยๆอยัอพผละก็คือผลใหญ่ๆนั่นะล้างมือแล้วก็สายในบาทของพระตถาคตเจ้าด้วยตนเองเพียงเมื่อพระศาสดาทรงรับผลาผลเท่านั้นเทวดาทั้งหลายก็สายโอชาอันเป็นทิพย์ลงไปดาวดบทก็กรองน้ําถวายด้วยตนเอง ลำดับนั้นเมื่อภาษาสดาสเวยเสร็จแล้วดาบทผู้เป็นอาจารย์จึงเรียกอันเตวาสิกทั้งหมดมากล่าวสารานิยคถาในสำนักของภาษาสดาแล้วก็นั่งเนี่ยนะกล่าวถ้อยคำอันพอให้ระลึกถึงกันเนี่ยนะภาษาสดาก็ดําริว่าขอภิกษุน์สงจงมาภิสูุ์ทั้งหลายที่เป็นพระขีนาศกประมาณหนึ่งแสนรูปรู้ความดําริของภาษาสดาแล้วก็พากันมาถวายบังคมภาษาสดาแล้วยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ดาบทเรียกอันเตวาสิกทั้งหลายมาแล้วพูดว่าดูก่อนพ่อทั้งหลายแม้อาสนะที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งแล้วก็ต่ำอีกทั้งอาสนะของพระสมณะหนึ่งแสนรูปนี้ก็ไม่มีวันนี้ท่านทั้งหลายควรกระทำสการะแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระพิสุสงใหโอรานท่านทั้งหลายจงนําดอกไม้อันสมบูรณ์ด้วยสีและกลิ่นมาจากเชิงเขาเหมือกันก็จะบูชาใช่ไหเอาอาสนะเนี่ยมาบูชา ดาบทั้งหลายนำดอกไม้ที่สมบูรณ์ด้วยสีและกลิ่นมาโดยคู่เดียวเท่านั้นปูอาสนะดอกไม้ประมาณหนึ่งโยศถวายพระพุทธเจ้าเพราะเหตุที่วิสัยของท่านผู้มีฤทธิ์เนี่ยเป็นอาจินไตเนี่ยนะก็คือเอาดอกไม้มาก็อธิษฐานให้มากขนาดไหนก็ได้อยู่แล้วสำหรับพระอัครสาวกมีเนื้อที่ประมาณสามขาวุธสสำหรับภิกษุทั้งหลายที่เหลือมีเนื้อที่ประมาณกึ่งโยศเป็นต้นเป็นประเภท สำหรับพระสังฆนวกะมีเนื้อที่ประมาณหนึ่งอุสภะเนี่ยนะโอยอาสนะพระสังคำเรียกว่าสังฆนวกะคือบวชใหม่ที่สุดเนี่ยนะก็เนื้อท um <to> ี่เป็นไรอ่ะเมื่อดาบดเหล่านั้นปูอาสนะเสร็จแล้วอย่างนี้นั้นท่าดาบดก็ยืนประคองอัญเชิีอยู่เบื้องหน้าพระตถาคตกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์เนี่ยจงเสด็จขึ้นสู่อาสนะดอกไม้นี้ เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ข้าพเจ้าตลอดการละนานเนี่ยนะก็คือเพื่อประโยชน์อันเป็นโลกิยะเพื่อประโยชน์อันเป็นโลกุตระนะแต่ถ้าหลายๆแห่งอธิบายว่าเพื่อประโยชน์ประโยชน์ยิ่งกว่านิพานไม่มีสิ่งที่เกื้อกูลกว่าอริยมรตไม่มีสิ่งที่เป็นความสุขยิ่งกว่าพระสมาบัติไม่มีเพราะนั้นคำว่าเพื่อประโยชน์คือนิพานเพื่อเกื้อกูลคือมรตเพื่อความสุขคือ พระสมมาบัตินั่นเองนะนะอันการทําบุญครั้งนี้ก็จงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลก็คือเพื่อบรรลุษมรคนิพพานนั่นแหละก็คือสิ่งเดียวกันนะนะเขามีวัยพจน์ที่ใช้แทนกันเยอะอนะเช่นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขอันนี้ในหนึ่งอีกในหนึ่งก็คือเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะนี้ก็ในหนึ่งอีกในหนึ่งก็คือเพื่อมรคนิพพานอีกในหนึ่งก็เพื่อบรลุอริยสัตว์เนี่ยนะนะจริงๆก็คือสิ่งเดียวกันทั้งหมดเนี่ยนะนะจะใช้คําไหนก็ได้อาจารย์สอนชอบคําไหน นะนะเพื่อประโยชน์และความสุขกันนะในประโยชน์คือนิพานความสุขคือพร ะ, ะสมาบัติเหมนกันพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ประทับนั่งบนอาสนะดอกไม้แล้วเมื่อภาษาสดาประทับนั่งแล้วอย่างนี้พิสูจนทั้งหลายรู้อาการของภาษาสดาแล้วจึงนั่งบนอาสนะที่ถึงแล้วแก่ตนที่ถึงแล้วแก่ตนนันทดาบทนี่ก็ถือฉัดดอกม้าใหญ่ยืนกั้นถวายบนพระเศียรของพระตถาคตเจ้า พระศาสดาก็ทรงดมริว่าส ก, การะนี้ของดาบ ท, ทั้งหลายจงมีผลมากก็เลยเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยนะอธิฐานเข้านิโรธสมาบัติเลยนะเข้านิโรธสมาบัติก็คือเข้าปฐมฌานก่อนออกจากปฐมฌานแล้วพิจารณาปฐมฌานโดยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็เข้าทุติยะฌานออกจากทุติยะฌานก็จเจริญวิปัสสนาอย่างนี้อีกเข้าตัติยะฌานออกจากตัติยะฌานก็จเจริญวิปัสสนาเข้าจาตุทัชฌาน ออกจากจตุทัชฌานก็เจริญวิปัสนาเข้าอารูปฌานคืออากาสารนันจายตนะออกจากอารูปฌานแนละ้วเข้าวิเจริญปัสนาเข้าวิญญาณันจายตนะออกจากวิญญาณันจายตนะก็เจริญวิปัสนาเข้าอากินจัญญายตนะพอเข้าเสร็จก็ทําบุพกรณ์บุพกิจนี่นะแล้วก็เข้าเนวะสัญญานาสัญญายตนะหลังจากนั้นก็จะดับจิตและเจตสิก ต, ตามที่ตั้งตอนบุพกรบุพกิจนั่นแหละแม้พิสูจน์ทั้งหละ เพิ่มอีกนิดนึงเวลาออกจากสมาบัตินี้ออกด้วยอริยผลเนี่ยนะออกด้วยอรหัตผ ล, ลจิตเนี่ยนะเข้าด้วยเนวสัญญาแต่ออกด้วยอรหัตผลสมาบัตินี่นะพิสูจนทั้งหลายรู้ว่าภาษาสดาเข้าสมาบัติแล้วก็พากันเข้าสมาบัติเมื่อพระตถาคตเจ้าประทับนั่งเข้านิโรธสมาบัติตลอดเจวันเมื่อถึงเวลาพิกขาจารย์อันเตวาสิกทั้งหลายต่างก็บริโภคผลไม้ในตา ในเวลาที่เหลือก็ยืนประคองอัญเชลีแดดพระพุทธเจ้านะก็ไปฉันนะนะถึงเวลาฉันก็ไปหาพลไม้ฉันฉันเสร็จก็มายืนยืนบูชาพระพุทธเจ้านะยืนยกมือบูชาพระพุทธเจ้าอย่างเดียวส่วนนั้นท่าลาบที่ไม่ยอมไปเพิกษาจารย์ทรงฉัดดอกไม้ถวายพระศาสดาอย่างเวลาให้ล่วงไปด้วยปีติสุขอย่างเดียวนะ มีปีติมีความสุขมากที่ได้ที่ได้ยืนถือร่มนะนะเป็นพุทธบูชานะนะั่นแหละตลอดเจ็ดวันนะนะัะพระศาสดาก็สั่งพระสาวกรูปหนึ่งผู้ประกอบไปด้วยองสองคือองค์แห่งพิกษุอยู่โดยไม่มีกิเลสไม่มีกิเลสก็คือหมายคำว่าอยู่แล้วไม่เป็นฆาศึกกับใครเลยนะไม่เป็นฆาศึกไม่เป็นคู่เวนกับใครสักอย่างและองค์แห่งพิสุผู้เป็นทักขินายะบุคคล อ, องค์ของผู้ไม่มีกิเลสนี่หมายถึงไม่มีฆาสึกนะไม่มีฆาศึกหมายคำว่า ท่านจะพูดแต่ธรรมะไม่พาดพิงถึงบุคคลมั้งท่านไม่มีศัตรูในภายนอกแล้วเป็นทักษินายาบุคคลก็คือท่านจะเข้าฌานก่อนรับอาหารของทุกเจ้าใช่ไหมถ้าจะรับอาหารบ้านไหนต้องเข้าฌานหน้าบ้านนั้นก่อนแล้วจึงจะรับอาหารของเขาเพื่อให้เขาได้ผลมากได้อ น, นิสงส์มากนั่นแะเนะข้าฌานทั้งฌานสมาบัติกับพระสมาบัตินั่นแหละเพราะฉะนั้นท่านก็เลยได้องค์เอตทัคคะสองตำแหน่งนั่นเะนะ ว่าเธอจงกระทำอนุโมทนาถึงอาสนะที่สําเร็จด้วยดอกไม้แก่หมูรือสีภิกษุรูปนั้นมีใจยินดีแล้วดุจทหารใหญ่ได้รับพระราชทานราบใหญ่จากสํานักของพระเจ้าจากักรพรรดิเลือกสรรเฉพาะพระพุทธวจนะคือพระไตรปิฎกมาทําอนุโมทนาในที่สุดแห่งเทศนาของภิกษุนั้นพระศาสดา ก, ก็ทรงแสดงธรรมด้วยพระองค์เองในเวลาจบเทศนาดาบทแ4ดสีพันทั้งหมดบรรลุพระอรหันต์แล้ว พระพุทธเจ้าแสดงอริยสัจในตอนท้ายนะบรรลุหมดเลยที่เป็นลูกศิษย์พระาศาสดาก็ทรงเหยียดพระหัตถ์มาตรัสว่าเธอทั้งหลายจงเป็นพิกษุมาเถิดอันนี้ก็เอหีพิคุนั่นแหละเอหีพิขุก็คือจงเป็นพิษุมาเถิดผมและหนวดของเหล่าดาบทเหล่านั้นอันตรธานไปในทันใด น, นั้นเองบริขารแปดสวมใส่อยู่แล้วในภายในกายของดาบทเหล่านั้นครบถ้วนดาบทเหล่านั้นเป็นดุจ พระเถระผู้มีพรรษาห0สแวดล้อมภาษาสดาแล้วส่วนนันธดาบทนี้ไม่ได้บรรลุคุณวิเศษเพราะมีจิตฟุง้งซ่านนะได้ยินว่านันธดาบทนั้นจำเดิมแต่เริ่มฟังธรรมในสานักของพระเถระผู้อยู่อย่างปราศจากกิเลสได้เกิดจิตตุบาทขึ้นว่าโอ้หนอแม้เราพึงได้ธุระอันพระสาวกนี้ได้แล้วในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้จะเสด็จอุบัติในอนาคตกาศ ไอ้ความคิดอันนั้นแหละห้ามไม่ให้บรรลุมรคผลเนี่ยนะพอคิดอย่างนี้นะมีศรัทธาที่จะอมีคุณธรรมเช่นนี้ก็ไม่ได้บรรลุมรคผลเพราะในศาสนาหนึ่งจะมีเอตทัคคะอย่างนี้หนึ่งองค์เท่านั้นนะเพราะก็ต้องรอกับพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ถ้าอยากเป็นอย่างนี้ก็ต้องรอเหมือนกันนะด้วยปริวิตกนั้นนั้นถ้าดาบทจึงไม่สามารถทําการแทงตลอดมรคและผลได้เนี่ยนะคุณบุญชูเอางั้นบ้างไหมเอาไว้ก่อนนะนั ไม่รอคนเน่นบ้างเลยนะพระพุทธเจ้าบวชให้นะแปลง่ายง่ายแบบนั้นก็ได้แต่ท่านได้ถวายบังคมพระตถาคตเจ้าแล้วยืนอยู่เฉพาะพระพักรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุผู้กระธรรมอนุโมทนาถึงอาสนะที่ทำด้วยดอกไม้อะต่อมูรฤษีเนี่ยมีชื่ออย่างไรในศาสนาของพระองค์พระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าภิกษุนั้นชื่อว่าถึงแล้วซึ่งเอตทัคคะในองค์แห่งภิกษุ ผู้อยู่อย่างไม่มีกิเลสจริงๆพระทหารทุกองคก็ไม่มีกิเลสทั้งนั้นใช่ไหมแต่กิเลสในที่นี้หมายถึงอยู่อย่างไม่มีค่าศึกคือเพราะท่านกล่าวแต่ทำไม่พลาดพิงถึงบุคคลนะนะในอารณาวิพังกสูตรอ่ะสูตรนั้นอนะ่ะภสุพุติรูปนี้เป็นเลิศและในองค์แห่งพิกสูผู้เป็นพระทักษินายะบุคคลคือท่านจะเข้าสมาบัติก่อนจะรับอาหารอันนี้แต่ว่าพระภิสูรูปนี้คนละองค์อนะอันนี้หมายถึงเอตทักขะ เหมือนกันน่ะในศาสนาพระพุทธเจ้าเมื่อแสนกับที่แล้วท่านได้ทำความปรารถนาไว้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสักการะนี้ใดที่ข้าพระองค์เข้าไปทรงไว้ซึ่งฉัตรคือดอกไม้ตลอดเจ็ดวันคือบูชาด้วยการถือดอกไม้เป็นฉัตรเป็นร่มไห้เนี่ยนะกระทำแล้วด้วยอธิการนั้นข้าพระองค์ไม่ปรารถนาสมบัติอื่นแต่ในอนาคตการขอข้าพระองค์ พึงเป็นสาวกผู้ประกอบด้วยองค์สองดุจพระเถระนี้ในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเถิดเนี่ยนะก็ะขอปรารถนาตำแหน่งอนะ้ความปรารถนาอันนี้จะเรียกว่าอภิสังขารมานก็ไม่ผิดใช่ไหมขวางมาให้บรรลุมรรคผลน่นะพระศาสดาก็เลยส่งอนาคตังสยานไปตรวจดูอยู่ว่าความปรารถนาของดาดบทนี้จักสำเร็จหรือไม่นอเนี่ยนะตรวจดูอยู่ก็ทรงเห็นความปรารถนาของดาดบท จะสําเร็จโดยล่วงแสนกลับไปแล้วจึงตรัสว่าความปรารถนาของท่านจักไม่เป็นโมคะในอนาคตการผ่านแสนกลับไปแล้วพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคโดมจักสเสด็จอุบัติขึ้นความปรารถนาของท่านจักสําเร็จในสํานักของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะนั้นแล้วก็ตรัสธรรมกถาทรงแวดล้อมไปด้วยภิกสูสงแหลนไปสู่อากาศนั่นะก็คือเหะกันไปหมดเลยเหลือนันทดาบทไว้คนเดียวเนะ ดาบทก็ยืนประคองอัญเชลีอุทิตเฉพาะพระษาสดาและภิกษุสงฆ์จนกระทั่งรับคลองจักสุขในเวลาต่อมาท่านก็เข้าไปเฝ้าพระศาสดาฟังธรรมตามการนะคือได้เวลาได้ปัจจัยพร้อมก็ไปฟังธรรมนะได้เหตุปัจจัยพร้อมก็ไปฟังธรรมท่านมีฌานไม่เสื่อมแล้วทีเดียวทํากาละแล้วก็ไปเกิดในพรหมโลกจุติจากพรหมโลกนั้นแล้วก็บวชอีก500ชาติได้เป็นผู้มีการอยู่ป่าเป็นวัด แม้ในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะเนี่ยนะก็ได้บวชเป็นผู้มีการอยู่ป่าเป็นวัดได้บำเพ็ญขะตะปัจจารขะตะกรรมฐานให้บริบูรณ์ก็คือวัดในการนำกรรมฐานไปนำกรรมฐานกลับนะนะคิดว่าสรุปวัดอันนี้คือยังไงคือเจริญกรรมฐานเว้นแต่หลับนั่นเองเนี่ยนะถ้ากล่าวไปแล้วนะก็คือสมาทานเอากรรมฐานเป็นหลักเหมงอนกะันครับ ได้ยินว่าผู้ที่ไม่ได้บําเพ็ญวัดนี้ชื่อว่าจะบรรลุถึงความเป็นพระมหาสาวกไม่ได้เลยเพราะท่านเป็นอสีตรมหาสาวกใช่ไหมเพราะฉะนั้นท่านจะต้องบําเพ็ญวัดอย่างนี้กันทุกองคถ้าไม่ประพฤติวัดอันนี้เป็นมหาสาวกไม่ได้ท่านบําเพ็ญคตะปัจจาคตะวัดอยู่ถึงร้อยยี่สิบปีสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนะพระกสปะเนี่ยร้อยี่สิบปีทํากาละแล้วของเราเนี่ยกี่ปีดีจังยี่สอน หารสองก็ไม่ได้หารสามก็ไม่ไนะ <c oughs> นั่นนะท่านก็บังเกิดในเดวอดาวดึงนะท่านไม่ได้ชานหรอกก็ไปเกิดในดาวดึงเทวโลกแล้วก็ชั้นกามาวจรดังคําที่กล่าวไว้ในอภทานกัมพิยาภทานว่าในที่ไม่ไกลภูเขาหิมมวันมีภูเขาชื่อว่านิสพะเราได้สร้างอาศรมเอาไว้ที่ภูเขานิสพะนั้นอย่างสวยงามสร้างบรรณศาลาไว้ อันนี้ท่านเป็นพระทหารและท่านละลึกชาติได้ท่านมาเล่าให้ฟังว่าในการนั้นเราเป็นฉดินมีนามว่ากโกริยะมีเดชรุ่งเรืองผู้เดียวไม่มีเพื่อนอยู่ที่ภูเขาชื่อว่านิสภะเวลานั้นเราไม่บริโภคผลไม้เง่ามันและใบไม้ในการนั้นเราอาศัยใบยไม้เป็นต้นที่เกิดเองและหล่นเองเลี้ยงชีวิตโอโ้กินใบไม้ตกอ่ะหนักมากนะ เรานี้ย่อมไม่ยังอาชีพของเราให้กำเริบแม้จะสละชีวิตย่อมยังจิตของตนให้ยินดีเวนอเนสนาอเนศนาก็คือการประจบประแจงเป็นต้นเนี่ยไม่มีเห็นะจิตสัมปยุทธ์ ด, ด้วยราคะเกิดขึ้นแล้วแกเราในเวลาใดเมื่อ น, นั้นเราจะบอกตอนเองเห็นมะสมมติว่าอากุศลวิตกกรรมวิตกเกิดขึ้นนะสอนตัวเองอนะสอนตัวเองว่าเราผู้เดียวเนี่ยฝึกจิตนั้น ท่านกำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดขัดเคืองในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองและลหลงไหลในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความลหลงไหลจงออกไปเสียจากป่าสั่งเลยนะบอกถ้ากำหนัดขัดเคืองหลงเมื่อไหร่ให้ออกไปจากป่าซะว่างั้นที่อยู่นี้เป็นที่อยู่ของท่านผู้บริสุทธิ์ผู้ไม่มีมนทินมีตะบะนะมีตะบะก็คือมีความเพียร ท่านอย่าประทุษร้ายผู้บริสุทธิ์เลยจงออกไปเสียจากป่าเสือเถิดท่านจะเป็นเจ้าของเรือนได้สิ่งที่ควรได้เมื่อใดท่านอย่ายินดีแม้ทั้งสองอย่างนั้นเลยนะจงออกไปจากป่าเสือเถิดเปรียบเหมือนฟืนเผาศกใช้ทำกิจอะไรอะไรที่ไหนก็ไม่ได้ไม้นั้นเขาไม่ได้สมมุติว่าเป็นไม้ใช้ในบ้านหรือไม้ใช้ในป่า นะไม้ใช้ในบ้านก็คือเอามาทํารั้วบ้านทําเสาบ้านทําพวกเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายแหละเขาไม่เอาฟืนเผาศพมาทำอยู่ใช่ไหมที่ป่าก็ไม่เอาไปสร้างกระท่อมสร้างอะไรเป็นต้นเขาก็ไม่เอาอยู่แล้วว่าไม้เผาศพเนี่ยนะท่านก็เปรียบกับเหมือนฟืนเผาศพฉันนั้นจะเป็นเครือขัดก็ไม่ใช่จะเป็นสมณะก็ไม่ใช่แบบนั้นเอามาเปรียบตัวเองนะเพราะอะไรเพราะอากุศลวิตกไหมคือถ้าเป็นครือขัดเอาก็เครื่องแต่งมันนักบวช ถ้าบอกถ้าเป็นนักบวชเอามันก็คิดแบบเครือหัดนะเพราะฉะนั้นไม่ต่างอะไรจากไม้เผาผีเลยแบบนั้นไม่ต่างกันเลยแบบนั้นเน่ยะเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านจงพ้นจากเพศทั้งสองนะคารวาสไม่ใช่นักบวชไม่ใช่เนี่ยนะจงออกไปจากป่าเสียเถิดวันนี้เอ่ข้อนี้พึงมีแก่ท่านหรือหนอใครจะรู้ข้อนี้ของท่านใครจะนำธุระของท่านไปได้เร็วเพราะท่านมากไปด้วยความเกียรติคราน วินยูชนเนี่ยจกเกลียดท่านเหมือนชาวเมืองเกลียดของไม่สะอาดเช่นั้นอันนี้ก็คืออุตตปะเกิดขึ้นนะนะตอนก่อนเนี่ยฮิริใช่ไหมที่ที่จะห้ามตัวเองอ่ะนะนี่เรานี่น่ารังเกียจขนาดไหนนะปล่อยให้กำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดขัดเกลืองลุ่มหลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความลุ่มหลงอย่าอยู่ในที่นี้เลยมีประโยชน์หรอกเสียหายเสียชื่อเขาหมดอย่างเง้ย น, นะอันนี้หิรินะ เสร็จแล้วก็โอตะปะขึ้นว่าวินยูชนเนี่ยจะเกลียดท่านเหมือนชาวเมืองเกลียดของไม่สะอาดฉะนั้นทัานวิธีการห้ามไม่ให้บาปไหลเข้าให้เป็นศีลนะนี่เป็นพิจารณาให้ศีลเกิดนะันะหรือห้ามบาปก็คือศีลนั่นแหละเพรา ะ, ะนั้นก็พิจารณาโดยโอตะปะว่ารือศีทั้งหลายเนี่ยจะฆ่าท่านมาประท้วงทุกเมื่อวินยูชนจกประกาศท่านว่ามีาศาสนาอัานก้าล่วงแล้วนะคือาศาสนาเป็นเชื่อกของไตรสิขาใช่ไหม ก้ยมาอาคุศนวิตกเนี่ยท่านเลยศาสนาไปแล้วว่างั้นเถอะเลยข้อปฏิบัติไปแล้วก็เมื่อไม่ได้การอยู่ร่วมท่านจะเป็นอยู่ได้อย่างไรช้างมีกําลังเนี่ยเข้าไปหาช้างกุญชรตกมันสามครั้งเกิดในตระกูลช้างมาตังคะมีอายุหกสิด้อยกําลังแล้วถูกนําออกจากโขลงมันเนี่ยถูกขับออกจากโขลงแล้วย่อมไม่ได้ความสุขสําราญเป็นสัตว์มีทุกข์เศร้าโศกซบเซา วันไว้อยู่ฉั้นใดฉดินทั้งหลายฉดินคือรือศีทั้งหลายเนี่ยจะขับแม้ท่านผู้มีปัญญาสามออกอ น, นะอาคุศนวิตตกเกิดเดี๋ยวรือศีเขามีวรจิตนะนะสมัยนั้นรือศีเขามีฤทธิ์กันเป็นเรื่องธรรมดานะถ้าเราอาคุศลวิตตกเดี๋ยวรือศีเขาบอกแหมเสียสถาบันรือศีเ้าหมดเน่ยนะนะเพราะฉะนั้นท่านเนี่ยถูกฉดินเหล่านั้นขับไล่ไปแล้วจักไม่ได้ความสุขสําราญฉนั้นท่านเพียบพร้อมแล้วด้วยลูกศอนคือความโศกทั้งกลางวันและกลางคืน จะถูกความเร้าร้อนแผ่เผาเหมือนช้างถูกขับออกจากโคลงฉะนั้นเบ้าทองย่อมไม่ถูกเผาไหมในที่ใดไหนฉันใดท่านมีศีลวิบัติแล้วก็ฉะนั้นจักไม่ทํากิเลสให้ไหมได้ในที่ไหนไหนนะคนศีลวิบัติเนี่ยเผากิเลสไม่ได้นะนะทำกิเลสให้ไหมไม่ได้หรอกว่างั้นแม้ท่านจะอยู่ครองเรือนก็จักเป็นอยู่อย่างไรได้ แม้ทรัพย์อันเป็นของมารดาที่เก็บไว้แล้วของท่านก็ไม่มีท่านก็ต้องทํางานเองชนิดอาบเหงื่อต่างน้ํจาจักมีชีวิตอยู่ในเรือนอย่างนี้ท่านไม่ชอบใจกรรมที่ดีเราห้ามใจอันหมักหมมด้วยกิเลสอย่างนี้นะโอ้ยนู่นแหละถ้าหากว่าไม่ไม่ชอบกรรมที่ดีนะในการบําเพ็ญในที่นี้เน้นสมถะนะถ้าไม่เน้นไม่ยินดีในการเจริญสมถะนู่นแหะไปทํางานอาบเหงื่อต่างน้ํากินนู่นแหละประมาณ พรอะไรพราก่อนบวชก็บริจาคเข้าไปหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วนะพอท่านห้ามใจอันหมักหมมด้วยสังกิเลตอย่างนี้นะแสดงว่าห้ามจิตปราบจิตคมจิตฝึกจิตกันหน้าดูเหมือนกันนะไม่ใช่ว่ามันจะเชื่องกันง่ายงถึงจะเห็นโทษก็ไม่ใช่ห้ามมันง่ายนะกิเลสเนี่ยในที่นั้นเรากล่าวทำมรรคฐานนานาชนิดห้ามจิตจากบาปประทำเนี่ยนะก็ต้องเทศกันหน้าดูนะต้องแนะนํากันหน้าดูเหมือนกันเสี่ยมสอนกันหน้าดูนะความคิดตัวเองเนี่ย เมื่อเรามีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทอย่างนี้เวลาผ่านไปสามหมื่นปีเนี่ยเวลาสามหมื่นปีก็ผ่านไปล่วงเลยเราผู้อยู่ในป่าใหญ่แล้วสมัยนั้นคนอายุเกือบแสนเปีอ่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระทรงเห็นเราผู้ยินดีแล้วในความไม่ประมาทผู้สแสวงหาประโยชน์อันสูงสุดจึงเสด็จมายังสำนักของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าเสด็จมาเลย พระพุทธเจ้าผู้มีพระศมีมีสีทองดังชมพูนุษประมาณไม่ได้ไม่มีใครเปรียบไม่มีใครเสมอด้วยพระรูปโฉมเสด็จจงกรมอยู่บนอากาศในเวลานั้นะนะเสด็จมหาก็เดินจงกรมนะจริงหรือสีคนนี้เขาก็เหาะได้เหมือนกันนั่นแหละ <c oughs> พระพุทธเจ้าผู้ไม่มีใครเสมอด้วยพยานเสด็จจงกรมอยู่บนอากาศในเวลานั้นดังพยารังมีดอกบานสะพรั่ง เหมือนสายฟ้าแลบในกลุ่มเมฆนะพระองค์นี้เสด็จจงกรมอยู่บนอากาศในเวลานั้นดุจพญาราชสีตัวไม่เกรงใครดุจพยาช้างตัวองอาจดุจพยาเสือโคร่งตัวไม่ขั้นคลามที่ดูหน้านะั้นมีคนมาเดินจงกรมบนอากาศต่อหน้าเราเนี่จะคิดยังไงนะจะคิดยังไงลุงบุญชนะนะูนะนะนนะเอาไม่กลัวไม่ใช่กราบนะนะนะ ถ้ามีใครมาเดินจงกรมหน้าเรานะมีรัศมีช่อนะกราบนะเคารพหมดเลยนะเนี่ยนะพระพุทธเจ้าผู้มีพระรัศมีดังทองสิงคีเนี่ยนะส่องสว่างดังฐานเพลิงไม้ตะเคียนมีรัศมีโทษช่วงดังดวงแก้วมณีเสด็จจงกรมอยู่บนอากาศในเวลานั้นพระพุทธเจ้ามีพระรัศมีเนี่ยเปรียบดังเขาไกร ล, ลาดอันบริสุทธิ์ สเสด็จจงกรมอยู่บนอากาศในเวลานั้นดังพระจันทร์ในวันเพน็ญดุดพระอาทิตย์ในเวลาเที่ยงเวลานั้นเราได้เห็นพระองค์สเสด็จจงกรมอยู่บนอากาศจึงได้คิดอย่างนี้ว่าสัตว์ผู้นี้เป็นเทวดาหรือว่าเป็นมนุษย์นราเช่นนี้เราไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินได้ฟังหรือได้พบเห็นบนแผ่นดินชะลอยจะเป็นอำนาจเวทมนต์ผู้นี้คงจะเป็นพระศาสดาครั้นเรา คิดอย่างนี้แล้วได้ยังจิตของตนให้เลื่อมใสเรารวบรวมเอาดอกไม้และของหอมต่างๆเอาไว้ในเวลานั้นได้ปูราดอาสนะดอกไม้อันวิจิตดีเป็นที่รื่นรมใจได้ทูลคำนี้กับพระพุทธเจ้าผู้เลิศกวานรผู้เป็นสารถีว่าข้าแต่พระวีระ <c oughs> อาสนะอันสมควรแก่พระองค์นี้ข้าพระองค์ปูถวายไว้แล้วขอได้ทรงโปรดยังจิตของข้าพระองค์ให้ร่าเริง ประทับนั่งบนอาสนะดอกโกสมเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไม่ทรงหวาดวันดังพยาไกรศรประทับนั่งบนอาสนะดอกโกสมอันประเสริฐนั้นเป็นเวลาเจ็ดวันเจ็ดคืนแมว่าใครจะไปนั่งได้นนะของเราสักสามชั่วโมงนี่ก็ชักยุ่งแล้วนะตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วมาเขาบอกนั่งอยู่เจ็ดวันเจ็ดคืนก็นั่งไม่มี น, นิโรธสมาวัตไม่มีจิตเลยนะ ถึงมีจิตก็เข้าพระสมาบัติเข้าฌานสมาบัติอยู่ได้อยู่แล้วอย่างแรกตรัสรู้ใหม่ๆพรวะเขาก็นั่งเข้าพระสมาบัติเจ็ดวันใช่ไหมพระศาสดาผู้ยอดเยี่ยมในโลกเสด็จออกจากสมาธิแล้วเมื่อทรงพยากรณ์กรรมของเราเนี่ยนะได้ตรัสพระพุทธพจน์ดังนี้ว่านะแนะนำก่อนว่าท่านจงเจริญพุทธานุสติอันยอดเยี่ยมกว่าภาวนาทั้งหลายเนี่ยนะ ในบรรณาภาวนาที่ระลึกถึงบุคคลทั่วๆไปเนี่ยนะระลึกเนี่ยที่ระลึกถึงบุคคลเนี่ยไม่มีอะไรที่จะดียิ่งกว่าการระลึกถึงพระพุทธเจ้าอีกแล้วเนี่ยนะครั้นเจริญพุทธานุสตินี้แล้วจักยังมนั์ให้สมบูรณ์คือยังใจให้สมบูรณ์จักรื่นรมในเทวโลกตลอดสามหมื่นกับเนี่ยนะมีความสุขอยู่ในเทวดาเนี่ยสามหมื่นกับนะถ้าใครอยากไปดิบไปดีอยากพ้นอบายก็นี่แหละพุทธานุสตินี่แหละสะเบียงทางเป็นอย่างดีเลย น, นั่นนะวันนี้คุณมุนชูเขาเจริญพุทธานุสติเป็นส่วนมากอะนะไม่แน่นะคุณชูสามหมืนกลับอะนะแต่ต้องได้ฌานด้วยนะจึงจะได้อ น, นี้สงอันนี้ดังว่าก <c oughs> ได้ฌานด้วยนะ <c oughs> จกได้เป็นจอมเทวดาสเสวยเทวราชาสมบัติถึงแปดสิบครั้งจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิอยู่ในแว่นแควนหนึ่งพันครั้งจะได้เป็นพระเจ้าประเทศสราชคือเป็นพระราชาอันาไพบูรโดยคนาดนับไม่ได้จากสเสวยสมบัตินั้นทั้งหมด นี้เป็นผลแห่งการเจริญพุทธานุสติกนะก็คือถ้ายังเพราะอะไรที่พอองพยากรณ์เนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าสุท่านสุภูติเนี่ยนะในตอนนั้นอะ่ะท่านไม่ได้ปรารถนาที่จะบรบรลุเลยเพราะฉะนั้นก็พระ อ, องคก็แนะนําให้เจริญพุทธานุสติในะอนาคตต่อไปอะ่ะแต่ที่จริงอะ่ะถามว่าเอ๊ะถูตั้งสามหมืนกับเลยหรือก็ใช่สามหมืนกับแต่จริงๆอะ่ะหลังจากนั้นอีกเจ็ดหมืนกับนะท่านจึงก็ได้บรรลุอะ่ะ <c> ก <oughs> <c oughs> <c oughs> ็ตั้งแสนกับใช่ไหม วันได้ได้รับพุทธภยากรมาต้องแสนกลับอ่ะคิดดูนะก็เพียงแค่สามหมืนกลับเองนะก็ยังไม่ได้พ้นอะไรนะนะแต่ถ้านั่งแบบเราคิดเนาโอ้โหตั้งสามหมื่นกลับแต่ถ้าเทียบเวลาที่จะบรรลุล่ะโออีกนาะนอีกตั้งเจ็ดหมืนกลับอ่ะคิดดูนะเหมือนกับว่ า, าเดี๋ยวเอารถไปส่งเนี่ยนะะก อ, อขับเทียบกับค่ารถของท่านนะจะส่งไปถึงเชียงใหม่แต่ท่านต้องเดินต่อทางต่อไปถึงกรุงเทพนะอย่างเงี้ยนะมันจะไกลขนาดไหนใช่ไหม เพราะนั้น <c oughs> แต่ว่านี่เป็นผลของพุทธานุสตินะทั้งสามหมื่กับมาเนะเมื่อท่องเที่ยวไปอยู่ในภพน้อยภพใหญ่จกได้โภกขสมบัติเป็นอันมากจากไม่มีความบกพร่องด้วยโภคะนี้เป็นผลแห่งการเจริญพุทธานุสติถามว่าคนเจริญพุทธานุสตินี่จะให้ทานมากขึ้นหรือว่าจะตีนีมากขึ้น <c oughs> ให้ทานมากขึ้นเพราะฉะนั้นนั่นแหละเป็นเหตุแห่งโผคะนะ <c oughs> คืออัน คือถ้าว่าตรงๆนะการเจริญพุทธานุสติเนี่ยถ้าผู้ที่เจริญจริงก็ต้องปฏิบัติตามเยี่ยงอย่างตามแบบแผนของพระพุทธเจ้านั่นแหละแม้สิ้นเวลาแสนกับพระศาสดาพระนามว่าโคตมะโดยพระโคตผู้สมภพในวงของพระเจ้าโอกากราจักเสด็จอุบัติในโลกท่านสละทรัพย์80โกดฆ่าธาตและกรรมกรเป็นอันมากจากบชในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้า ชาสุดท้ายท่านมีทัพ80โกดนะออกบวชนะบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมจากยังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมเนี่ยสักยะบตรผู้ประเสริฐให้โปรดปรานจากได้เป็นสาวกของพระศาสดามีพระนามว่าสุภูติพระศาสดาพระนามว่าโคดมประทับนั่งท่ามกลางภิกษุสง์แล้วจากทรงตั้งท่านไว้เป็นผู้เลิศสองตำแหน่งคือ คุณในความเป็นพระทักกินายะบุคคลในการอยู่โดยไม่มีค่าศึกนะทักกินายะบุคคลอย่างหนึ่งนะไม่มีค่าศึกอย่างหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มุนีสูงสุดกว่าสัตว์ผู้เกิดในน้าและบนบกผู้เป็นพระมหาวีระครั้นตรัส ด, ดังนี้แล้วก็เสด็จเหาะขึ้นสู่อากาศดุจพยาหงในที่คัมภร์เราอันพระโลกกนาดพร่ำสอนแล้วถวายบังคมพระตถาคตเจ้า มีจิตเบิกบานเจริญพุทธานุสติอันสูงสุดทุกเมื่ อ, อนะด้วยกุศลกรรมที่เราทำดีแล้วนั้นและด้วยการตั้งเจตนาเอาไว้นะกุศลกรรมที่ทำไม่ดีก็คือการเจริญพุทธานุสติเป็นต้นะนะแต่ขณะเดียวกันก็ตั้งความปรารถนาด้วยใช่ไหมไม่ใช่ว่าเจริญแบบไม่มีจุดมุ่งหมายนะนะ ด้วยการตั้งเจตนาไว้เราละกายมนุษย์แล้วไปสู่พบดาวดึงได้เป็นจอมเทวดาเสวยที่ผสมบัติ80ครั้งได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิ 1,000 ครั้งได้เป็นพระเจ้าประเทศสลาชอันไพบู์โดยขณานับมิได้ได้เสวอยสมบัติเป็นอันดีนี้เป็นผลแห่งการเจริญพุทธานุสติเมื่อเราท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยพบใหญ่เราได้พวกผสมบัติเป็นอันมากเราไม่มีความบกพร่องด้วยโภคะเลย นี้เป็นผลแห่งการเจริญพุทธานุสติในแสนกับแต่กับนี้เราได้ทํากรรมใดไว้ในการนั้นด้วยผลแห่งกรรมนั้นเราไม่รู้จักทุกคติเลยนี้เป็นผลแห่งการเจริญพุทธานุสตินะคุณพิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมก8และอภินยาหเราได้ทําให้แจ้งแล้วคําสอนของพระพุทธเจ้า เราได้กระทาเสร็จแล้วชะนี้แลเนี่ยนะอันนี้เป็นข้อความที่พระสุภูติเนี่ยกล่าวไว้เองในคัมภีร์อภิธาน